วันนี้เป็นวันปีใหม่พุทธศักราช25ัหราบอ็ดวันนี้เป็นวันปีใหม่ของพวกเราลูกหลานญาติพี่น้องญาติโยมทุกท่านที่มาทาบุญในวันนี้คือทาบุญสงท้ายปีเก่าทาบุญปีใหม่เพื่อรับพรและก็พร้อมกันก็มาทาบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศล ต่อบรรพชนของพวกเราคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายวงศ์สาขาญาติญ า, าติมิตรสหายที่ล่วงรับดับขันไปที่พวกเรารักเคารพนับถือหรือตลอดถึงสรรพสัตว์ทุกวิญญาณถ้าหากว่าวิญญาณเหล่านั้นพร้อมที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราได้ก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากพวกเราพวกเราพร้อมที่จะอุทิศส่วนกุศล ต่อผู้มีอุปกรารคุณและดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณที่สามารถที่จะมารับส่วนบุญส่วนกุศลได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพวกเราบางท่านยังไม่เคยได้ยินได้ฟังอาจจะมีความสงสัยว่าการทําบุญอุทิศส่วนกุศลอย่างนั้นบุญกุศลที่เราได้ทําบุญในวันนี้จะไม่หมดไปเหรออันนี้เน่ทางหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ตอบคําถามนี้มา ก่อนแล้วเพราะนั้นหลวงพ่อจะได้นำทำคำจังสอนของพระพุทธเจ้ามาขายายผลแลมาตอบให้พวกเราได้ยินได้ฟังอีกคือพระพุทธเจ้าท่านตอบกับอุบาสกอุบาสิกาในครั้งพุทธการพระพุทธองค์ท่านบอกท่านตรัสไว้ว่าเหมือนกับเรามีไฟเทียนอยู่เล่มหนึ่งคือการทำบุญก็คือเราจุดเทียนขึ้นมาเล่มหนึ่ง จากนั้นถ้าว่าเราอาุทิศส่วนกุศลไปให้เขาเลือเขามาจุดเทียนจากเราไปเทียนคงเราจะพ้องไฟไหมมันจะหมดไปไหมเทียนเล่มนั้นจะหมดไฟไหมสมัยนั้นเขาตอบว่าไม่หมดเทียนที่เราไปจุดก็ยังอย่างเก่าคนที่จุดไปเนีเอ่อมันได้เหมือนเก่าไหมได้เหมือนกับเทียนเล่มนี้ไหมเหมือนกันเพราะเทียนขนาดเดียวกัน แสงสว่างไปจุดกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนเล่มไฟอันนี้ก็ยังอยู่ดักอย่างเก่าไม่พ่องไปจากที่เดิมเพราะฉะนั้นการอุทิศ ส, ส่วนกุศลที่อุทิศ ส, ส่วนกุศลกับลักษณะอย่างนั้นแหละก็ยิ่งพอกพูนขึ้นอีกต่างหากใจที่เราอุทิศ ส, ส่วนกุศลนั้นจิตใจของเราจะเบิกบานชุ่มชื้นเบิกบานมีความสุขทางด้านจิตใจอีกต่างหากเพราะนั้นการอุทิศ ส, ส่วนกุศล พวกเราอย่าไปคิดว่ามันจะหมดนะอย่าไปคิดว่ามันจะหมดอุทิตไปเลยต่อดวงวิญญาณท้าววันพ่อแม่ปูญญ่ย่าตายายใครก็ตามตกทุกข์แต่ยากก็ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลหน้าข้าพ เ, เจ้าได้ทําบุญไว้ในพระพุทธศาสนาในวันนี้นะเนะี่ยวันนี้ก็คือเป็นวันที่พวกเรามาทําบุญเพื่อรับพรใส่ตัวของเราเพื่อเป็นสิริมงคลในตัวของเราและครอบครัวของเร า, เรากิจการงานของเรา การพร้อมกันกุศล ส, ส่วนกุศลต่อบรรพชนหรือดวงวิญญาณอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลหรือว่าเป็นสิริมงคลสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่หลวงพ่ออยากจะเน้นหนักกับพี่น้องประชาชนลูกหลานทุกคนที่ปีที่ผ่านมาปี2550ห้าห้าิบพวกเราควรจะนึกรู้ว่า ปีที่ผ่านมาพวกเราได้ทำอะไรไว้บ้างที่เป็นที่อุ่นใจหรือว่าเป็นที่พอใจหรือเป็นการกุศลหรือว่าเป็นบุญเป็นกุศลที่พวกเราได้ทำพร้อมกันกับพวกเราได้คิดอีกว่าปีที่ผ่านมาเราได้ทำสิ่งไหนไว้บ้างในสิ่งที่เป็นอัปมงคลสิ่งที่ไม่ดีเป็นที่ไม่สบายใจหรือว่าเป็นที่ไม่ถูกต้อง เราได้คิดเราได้พูดเราได้ด่าใครไปบ้างเราได้ทำกระทําสิ่งไหนไปบ้างเมื่อปีที่แล้วอันนี้ก็อยากจะให้คิดทั้งสองเงื่อนเหมือนกันเพราะว่าการกระทําของเราไม่ใช่ว่าจะไปทางเดียวทางที่ไม่ดีก็มีเหมือนกันดีกับชั่วมันไปด้วยกันแต่ดีกับชั่วนั้นทางไหนจะมากน้อยกว่ากันเท่านั้นหละเพราะนั้นพวกเราให้พวกเราทั้งหลายคิดย้อนดูถ้าหาว่าปีที่แล้ว ทำจุดนั้นที่มันไม่ดีปี2อ5 1อยเนี่ยเราจะพยายามจะไม่ให้เกิดขึ้นกับเราอีกในสิ่งเหล่านั้นที่เรากระทำสิ่งนั้นถ้าสิ่งไหนที่มันถูกเราก็จะพยายามทำให้ต่อเนื่องขึ้นอีกในเมื่อเราเห็นว่าถูกต้องเนี่ยไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองทุกทกท่านเพราะนั้นไม่ใช่ว่าวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปเท่านั้น มันไม่เกิดประโยชน์มันไม่ไม่ใช่ผ่านไปแต่วันคืนเดือนปีชีวิตของพวกเราก็ผ่านไปด้วยผ่านไปผ่านไปแก่ไปแก่ไปอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังนั่นแี่ยปีนี้สายตาไปยังไงอย่างที่หลวงพ่อได้พูดมันแก่ไปเรื่อยเพราะนั้นชีวิตของพวกเราก็แก่ไปอย่างนั้นแหละ คนนั้นพวกเราทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจเอาไว้แต่บางท่านบางคนคนยุคใหม่สมัยใหม่ก็พูดในเชิงที่ว่าจะทำทำไมเขาวัดทำไมก็ไม่เห็นมีประโยชน์อะไรเพราะว่าการเป็นอยู่ของพวกเราก็ไม่เห็นเดือดร้อนที่ตรงไหนการเป็นอยู่ก็มีความสุขสบายดีอยู่ ครอบครัวพี่น้องทรัพสมบัติของเราก็มีความสุขดีอยู่ก็ไม่เห็นจาเป็นจะต้องเข้าวัดเข้าวาศึกษาธรรมะปฏิบัติแต่หาว่าพวกเราทำไปก็ฝ่ายพระสงฆ์เผลอเผอแล้วยังเป็นผู้เรียกร้องจะเป็นผู้หาวิชาอาชีพทางหนึ่งอีกบางคนก็คิดในแง่อย่างนั้นแต่ตามไม่จริงพระสงฆ์ที่มาอยู่วัดวาศาสนาเข้าอยู่วงใน ภาพปฏิบัติตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าถ้าอยู่ในกรอบของศีลธรรมแล้วท่านก็มีกรอบของท่านอีกเหมือนกันท่านจะไม่ได้ทำออกนอกลูก่นอกทางทำคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าถ้าพวกเราได้เข้ามาศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าการเป็นอยู่ของพระนั้นเป็นยังไงถ้าว่าการเป็นอยู่ของพระมีความสุขสนุกสบายพระเขาคงจะบวชมากกว่านี้อันนี้บวชตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจา้าไม่ใช่ธรรมดา การบวชของพระเนี่ยเป็นการสู้ทางด้านจิตใจแต่ภายนอกจริงอยู่ไม่ได้ทำการทำงานแต่ว่าในจิตใจนั้นถ้าพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วท่านสู้ทางด้านจิตใจว่าวันนี้เราคิดเรื่องอะไรใจของเราปรุงฟุ้งซ่านไปทางไหนอย่างเนี้ยอันนี้คือวิถีเรียกว่าการเป็นอยู่ของพระท่านสู้ตัวเองทางด้านจิตใจไปอยู่ป่ารงพงภยัยอยู่ถ้า อยู่ถ้าอยู่เหวอยู่ที่ไหนไหนในที่สงบสงัดตามลําพังเสียงร่มเสียงตายบางทีในสมัยก่อนๆที่ยุกยายังไม่ทันสมัยครูบาอาจารย์ตายเพราะเป็นโรคไข้มาลาเรียมากต่อมากแต่พอมาถึงยุคสมัยของเราเนี่ก็ยุกยาทันสมัยขึ้นมาการเป็นอยู่ยังไงก็ยังได้รับความสะดวกสบายกว่าครั้งกันนู้นมาก แต่ว่าถึงยังไงก็ตามการเป็นอยู่ของพระในหลักของพระพุทธศาสนาแล้วถ้าปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านมุ่งเน้นเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารตามแนวแถวที่พุทธพาดําเนินมาอย่างพระพุทธเจ้าท่านพาดําเนินมาท่านเป็นยังไงพวกเราได้ศึกษาว่าพระพุทธเจ้าก่อนที่จะออกบวชท่านทํำยังไง ทำไมท่านเป็นพระมาหากษัตริย์ครองกรุงกระบินและพัฒนเป็นประเทศเล็กก็จริงอยู่แต่สมบูรณ์ทุกอย่างเป็นประเทศที่สมบูรณ์มั่งคั่งมากชาวอริยกะเป็นคนที่ว่าแข็งแกร่งด้วยวิชา อ, อาชีพทุกอย่างการลบการพุ่งก็ไม่ด้อยกว่าชาติอื่นๆ เ, เป็นชาติที่แข็งแกร่งในยุคสมัยนั้นแต่พระพุทธเจ้าก็อยู่ด้วยความสวย เป็นพระเจ้าเป็นดินด้วยความร่มเย็นเป็นสุขมีบริษัทบริวารอัคคมเหสีสรมนารีข้าทาสบริษัทบริวารทหารตำรวจพร้อมทุกอย่างแข็งแกร่งมากในยุคสมัยนั้นแต่พระพุทธองค์ครองราชจนถึงอายุย9ปี ท่านกับพิตกว่าเอคนเราเกิดมาเกิดมายังไงแล้วตายไปยังไงอันนี้ก็คือความในใจของพระ อ, องค์จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้เสด็จออกไปสวนอุ ท, อทยานไปเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายนะอันนี้หลวงพ่อพูดอย่างรวดรัดให้พวกเราได้ได้เป็นข้อสังเกตนะทำไมพระพุทธองค์จึงออกไปบวชทำไมจึงคิดอย่างนั้น ทำไมจึงคิดแปลกแวกแนวอยู่ดีๆทำไมจะออกบทนะเ อ, อันนี้ปุตุชนพวกเราท่นทั้งหลายให้ได้สังเกตนะผู้โตองค์ไปเห็นคนแก่แล้วก็คนเจ็บแล้วก็คนตายพอผู้โตองค์ก็ว่าเอ๊ะทำไมจะทำยังไงจึงจะไม่ตายเนี่ยคนตายมันจะหาความสุขที่ตรงไหนพอถึงจะสร้างฐานะดีขนาดไหนผลที่สุดทุกสิ่งทุกอย่าง ก็ออกไปด้วยไปได้เหมือนกับตัดเทิงทั้งหมดแล้วความสุขที่แท้จริงนั้นคืออะไรมาถึงจุดนั้นนนี้พระพุทธองค์ถึงท่านไม่ได้คิดแต่เฉพาะความสุขกินข้าวเป็นวันวันนอนหลับเป็นวันวันหาเงินคําทรัพย์สมบิเป็นวันวันไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านคิดจนถึงว่าจุดจบของชีวิตของเรานั้นคืออะไรนี่พระพองค์คิดถึงขนาดนั้นจากนั้นทางเอจะทํำยังไงจึงจะสสแสวงหาทางที่จะไม่ตาย จะมียาขนาดไหนบ้างกินแล้วเข้าไปแล้วจะไม่ตายเฮ้ตายนี่เป็นเรื่องที่ตัดทุกสิ่งทุกอย่างตัดพ่อตัดแม่ตัดวงศาคนาญาติตัดลูกตัดเมียตัดหมดทุกอย่างเป็นความทุกข์ที่สุดในขณะที่ตัดอย่างนั้นที่ตัวเองจะเดินไปตามลำพังออกจากชาตินี้ไปสู่ชาติต่อไปตายแล้วสูญหรือตายแล้วเกิดอีกต่างหาก ถ้าตายแล้วศูนย์ก็ไม่มีอะไรเพราะตายแล้วมันศูนย์แต่ตายแล้วจะเป็นยังไงเพราะในยุคนั้นหรือสีชีพายก็มีมากต่อมากมีการมีความคิดเห็นแปลกตกต่างกันบางคนก็ตายแล้วศูนย์บางคนก็ตายแล้วเกิดอย่างยุคสมัยนี่แหละความคิดของมนุษย์ในยุคสมัยนั้นแต่นี้พระพุทองค์ก็ไปเห็นอย่างนั้นขึ้นมาคิดอย่างนั้นขึ้นมาก็เลยมองเห็นเอทรัพย์ ส, สมบัติหรือว่า ที่อยู่ของตนเองบริษัทบริวารป่าศาสตร์ราชมวลเทียนของตนเองเนี่ยมันไม่น่าอยู่เหมือนแต่ก่อนละเพราะมันความคิดจุดนี้ขึ้นมาคิดถึงความตายเพราะเห็นคนตายจากนั้นพระองค์ก็เลยหนีออกไปกลางคืนไปอยู่ในป่าถึงหกปีค้นคว้าจุดนี้จนได้ตัดรู้ธรรมในวันเดือนหกเพนธ์ จุดนี้หลวงพ่อเองได้พูดมามากต่อมากแล้วจะไม่ขยายผลเพราะฉนั้นเมื่อตรรู้แล้วท่านก็ประกาศพระธรรมคําสั่งสอนที่ท่านได้รู้แล้วในธรรมจุดนั้นมาเผยแผ่ขยายผลให้แก่พระสงฆ์สาวกสาวกก็คือผู้สดับผู้รับฟังจากพระพุทธเจ้าอีกทีนึงจะเนาว่าพระสาวกแปลว่าเป็นลูกน้องหรือว่าเป็นผู้ศึกษารำคาสั่งสอนจากพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าน่ยพุทธะบรมครูหรือศาสตราสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดสู้ชอบด้วยพระ อ, องค์เองจากนั้นได้นำทำคําสอนมาเผยแผ่ขยายผลต่อคนทั้งหลายเมื่อคนทั้งหลายได้ฟังแล้วก็ปฏิบัติตามเรียกว่าพัสสาวกผู้ปฏิบัติตามทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในเมื่อเมื่อท่านได้ตัดสู้อในเมื่อท่านได้บรรลุธรรม เป็นพระอริยสงฆ์ตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์เหล่านั้นพระอรหันตสาวกเหล่านั้นพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกเหล่านั้นท่านมองปุตุชนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายท่านมองว่าโอ้ชีวิตของปุตุชนหรือว่าพลโลกทั้งหลายนี่ถึงเขาจะว่ามีความสุขก็จริงอยู่เป็นความสุขเหมือนหมูอยู่ในเล้า หมูอยู่ในเล่าเป็นยังไงหมูอยู่ในเล่าก็คือมีอาหงอาหารกินมีน้ำกินเจ้าของเข า, เาให้กินมีความสุขตามอัตภาพอันนี้คือความคิดของพระพุทธเจ้าพระหัรสาวกนะที่ท่านพ้นทุกข์ไปแล้วนะท่านมองพู้ถชนท่านมองลักษณะอย่างนี้เขาก็มีความสุขแต่อีกสักวันหนึ่งพอพยามัจจุราชมาถึงเขา กระชากชีวิตของเขาออกจากร่างไปคราวนั้นแหะเขาจะรู้ว่าชีวิตนี้หาความสุขไม่ได้แต่ถึอยังไงมันหมดโอกาสที่จะคิดเสียแล้วเพราะว่าชีวิตของเรามันตายไปแล้วเพราะฉนั้นในขณะที่เขาเลี้ยงดูแล้วมีความสุขอยู่มนุษยชาติก็หลงในการเป็นอยู่ของตนเองแต่เมื่อคราวนั้นมาถึงทุกชีวิตก็ต้อง ไปด้วยความทุกข์ยากหร ว, ว่น้ําตานองหน้าแต่หมดโอกาสที่จะกลับมาคิดอีกแล้วก็ตายไปในชาติหนึ่งแต่ว่าถึงจะตายไปแล้วก็กจริงอยู่แต่ว่าดวงวิญญาณนั้นไม่ไม่ดับสูญออกจากร่างนี้ไปก็ไปสู่ปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆภพภูมิภายภาคหน้าอันนี้พระพุทธองค์หรือพระอรหันต์สาวกทั้งหลายท่านมองเห็นท่านรู้ได้ว่าเมื่อออกจากวิญญาณออกจากร่างนี้แล้ว ไปสู่ในภพภูมิต่างๆจะเป็นเทวบุถุเทวดาอินพรหมตกนรกเป็นเปรตได้ทั้งนั้นสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรพราะพุทธองค์ภาษาวกที่ท่านมีญานรัศนะท่านก็รู้ได้อีกว่ามันเป็นมาเพราะอะไรคนติดคุกเพราะอะไรเพราะมันไปฆ่าคนคนติดคุกเพราะอะไรเพราะมันไปนขโมยของเขา คนติดคุกเพราะอะไรเพราะมันไปขายยาบ้านะลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเขาออกจากนี้ไปแล้วออกจากชาติมนุษย์ไปแล้วทำไมจึงเขาจึงไปตกนรกเพราะเขาทำกลัมอันนั้นไว้มันจึงไปส่งไปอย่างนั้นแต่นี้ทางนี้ทางนั้นพระพุทธองค์ท่านก็ไม่ได้บอกว่าให้เชื่อตามเราทุกอย่างนะท่านก็ไม่ได้บอกอย่างนั้นอีกเราจะจับให้พวกท่านทาอย่างนี้นะเราจะรับกลัมของพวกท่านทั้งหมดนะ พระองค์ก็ไม่ได้ว่าอย่างนั้นอีกพระองค์บอกว่าวิธีการดําเนินของเราที่เราปฏิบัติมาที่โคลนต้นโพนเรานั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้อยากจะปฏิบัติอยากจะพ้นทุกข์อย่างเราก็ให้ปฏิบัติอย่างเราให้นั่งสมาธิให้ปฏิบัติคุณงามความดีให้ให้ทานอย่างนี้นะคนจะไปสู่สุคติได้รักษาศีลอย่างนี้นะ คนจะไปสู่สุขติได้ให้ภาวนาอย่างนี้นะจึงจะพ้นทุกข์จากวัฏฏะสงสารไปได้พระพุทธองค์เป็นผู้ชีน้นาชี้แนะเป็นผู้บอกทางแล้วพวกเราจะเดินตามหรือไม่เดินตามอันนั้นเป็นหน้าที่ของพวกท่านทั้งหลายแต่ว่าการที่การแนะนําคือเป็นหน้าที่ของเราจะต้องแนะนําวิธีการปฏิบัติเพราะนั้นพระสาวกทั้งหลายหรืออุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายในครั้งนั้น ตลอดถึงครั้งนี้ผู้ที่เชื่อถือก็ลงมือปฏิบัติตามอย่างพระพุทธองค์พาปฏิบัติท่านปฏิบัติยังไงท่านก็แนะนีแนะว่านั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกให้มีสติกับตัวเองในขณะที่นั่งสมาธิ mm hmm. เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วสู่ความเป็นหนึ่งได้แล้วะจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งจิตวิญญาณที่อยู่ในร่างกายของเราเนี่ยเป็นอันหนึ่ง คนละอ่านกันเห็นได้ชัดในความรู้สึกนั้นเหมือนกับคนขับรถกับรถคนขับรถกับรถไม่ใช่อันเดียวกันแต่ว่าจะให้รถไปทางไหนคนขึ้นไปขับแล้วก็จะตัดเครื่องขึ้นมาแล้วก็ปล่อยคาดปล่อยเกียร์ปล่อยคาดเหยียบคันเร่งไป หมุนพวงมาลัยไปเรื่อยรถก็วิ <G> ่ง <ing> ไปตามที่คนต้องการก็ไปตามที่มันจะไปได้ไม่ใช่ว่าให้มันปีนต้นไม้มาคงขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันใจของเราก็เหมือนกันที่ขับร่างของเราไปจะไปให้มันขึ้นกระโดดต้นไม้ชุงสูงมันก็กระโดดไม่ได้มันก็ตอกแตกพังเหมือนกันอันนี้ก็บังคับไปได้ในที่พอที่จะไปได้ แต่ว่าเจ้าของรถนะ่ะโซูเฟอร์รถนะ่ะบอกรถระยาชุดโสมนะให้อยู่ในสภาพใหม่ๆอย่างนี้ตลอดไปนะมันก็คงจะบังคับมันอย่างนั้นไปได้เพราะว่ามันความชลามันมีอยู่ในตัวรถของมันเองแล้วแต่จะให้รถไปในที่ต่างๆในขณะที่มันยังไปได้อยู่มันก็ไปตามที่โซูเฟอร์ต้องการให้ไป มันก็ไปตามสภาพของมันที่จะไปได้แต่โชเฟอร์บอกว่าอย่าุดโฉมนะให้อยู่ในสภาพอย่างนี้นะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันร่างใจของมนุษย์ใจของเราก็เหมือนกันบังคับให้ไปที่ไหนก็ไปได้แต่บังคับว่าอย่าแก่นะอย่าเจ็บนะอย่าตายนะบังคับไม่ได้มันต้องไหลไปตามสภาพของมันเพราะโลก ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกครั้งเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราไหลไปตามสภาพไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านมองเห็นพระอรหันตสาวกท่านมองเห็นพวกเราท่านทั้งหลายว่า mm hmm. เนี่แหละถ้าว่าพวกเราทั้งหลายยังไม่หาทางออกพวกเราก็จะต้องวนเวียนเวียนเกิดเวียนตายในวัฏฏะสงสารนี้เป็นอนันตการ ทางที่ไม่วกวนเวียนนั้นคืออะไรนี่ให้พวกท่านทั้งหลายให้รู้ให้ศึกษาให้เข้าใจนะโลกอันนี้ก็คือโลกที่แห่งแรงกันดานโลกอามาตะธรรมอามาตะธาตุนะั้นเป็นโลกที่โลกที่สมบูรณ์ที่สุดเป็นที่เป็นธรรมที่สมบูรณ์ที่สุดจะว่าโลกไม่ใช่จะว่าธรรมนะั่นนะเป็นธรรมธาตุที่สมบูรณ์ที่สุด แต่พวกท่านทั้งหลายอยู่ในโลกเนี่ยเป็นโลกที่แห้งแล้งกันดาร น, นะนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายศรัทธ า, าโยมทุกทุกท่านนะให้ศึกษาธรรมะภาคปฏิบัติจิตภาวนาเนี่แหละเป็นเครื่องที่จะทำให้พวกเรารู้แจ้งเห็นจริงภายในจิตใจส่วนเรื่องทานเรื่องศีล น, นั้นเป็นการอยู่ร่วมกันการที่ จะอยู่ร่วมกันได้ต้องเป็นคนมีเสียสละคือการให้ทานพ่อแม่ให้ทานแก่ลูกอให้ฐานะให้ทานแก่ลูกให้แก่สัตว์ทุกตัวการอยู่ร่วมกันอย่างหลวงพ่ออยู่ในป่าอย่างนี้หลวงพ่อก็ให้อาหารหมูป่าอย่างนี้ให้อาหารหมาอย่างนี้ให้อาหารจัดให้อาหารปลาอย่างนี้คือให้มีเมตตาต่อกันถ้าคนไม่มีเมตตาต่อกันแล้วโลกทั้งโลกอยู่ด้วยกันไม่ได้ อันนี้ก็คือทานะคือคือทานพระพุทธเจ้าให้มีน้ําใจต่อกันคือการเสียสละศีลคือรักษากายวายใจาให้เรียบร้อยให้สำลอมระวังอย่าให้เป็นพิษเป็นภัยต่อกันอันนี้ก็คือการเป็นอยู่แต่ส่วนจิตตภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพระพุทธเจ้าได้ตัดรู้ธรรมนั้นอ่ะอันนั้นเป็นเรื่องของปัญญาเป็นเรื่องอย่างลึกเข้าสู่จิตใจอย่างอย่างมาก เพื่อให้พวกเราศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนให้ศึกษานะจุดนีนะ้เรื่องภาวนาเนี่ยนะถ้าว่าพวกเราได้ภาวนาจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งนะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายกับจิตใจนั้นคนละอย่างคนละอันกันนั่นแหละทีน่นี้พวกเราจะหาช่องหาทางที่จะจะทํายังไงจึงจะหนีออกจากโลกวัตะสงสารตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระหันสาวกที่ท่านพาดําเนินมาหลืท่านผ่านไปแล้ว ท่านทิ้งร่องรอยด้วยวแนวปฏิบัติให้แก่พวกเราเดินตามนะเพราะฉะนั้นให้พวกเราพยายามแล้วกัศึกษานะให้ศึกษาให้เป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายให้ศึกษาถ้าพวกเราอยากจะเป็นเศรษฐีอยากจะเป็นคนมีอันจะกินพวกเราก็ถึกศึกษาวิธีการทํางานนะวิธีการทํางานไม่ใช่ว่าเราอยู่อยู่เฉยๆฮ เงินคำทรัพย์สมบัติจะหลังไหลหลังไหลมาก็คงจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันถั้งว่าพวกเราจะจะพ้นทุกข์ในวัฏสงสารพวกเราก็เสาะแสวงหาแนวทางว่าจะเป็นยังไงทํำยังไงเหมือนกับพวกเราต้องการหาทรัพย์นะเราก็ต้องศึกษาเราจะหาะแผนกไห น, ทนอทํามาค้าขายแผนกไหนทําสวนยางเราก็ต้องศึกษาเรื่องสวนยางถ้าเราทํานาเราก็ต้องศึกษาเรื่องทํานา ถ้าเราทําราชการเราก็ศึกษาทําราชการแผนกไหนอถ้าเป็นหมอเราก็ศึกษาเรื่องหมอทางวิศวะเราก็ต้องศึกษาเรื่องวิศวะอย่างนี้แหละแต่เรื่องด้านจิตใจเรื่องจิตตภาวนาหรื่องด้านจิตใจเราก็ควรจะศึกษาตามแนวแถวของพุทธพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านสอนเรื่องจิตวิญญาณนเรื่องแนวความคิดของเรื่องจิตทางด้านจิตใจพุทธศาสนาเนี่ย สอนทางด้านจิตใจท่านเน้นหนักเรื่องจิตใจเป็นใหญ่ใจนี่คือตัวนมามธรรมมองไม่เห็นตัวนี้ทําไมพระพุทธเจ้าจึงเน้นหนักจุดนี้แต่ส่วนร่างกายนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้เน้นหนักตัวสิตใจคือนมามธรรมที่มองไม่เห็นเนี่ยตัวความนึกคิดเนี่ยตัวนี้พระพุทธเจ้าเน้นหนักอย่างมากหลักของพุทธศาสนาถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้ว ได้ศึกษาแลในธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วท่านเน้นหนักจุดนี้เป็นอันดับหนึ่งเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยพระพุทธองค์ท่านวัดมโนปุพังขมาธรรมามโนเศรษฐามโนมายานะทำทั้งหลายเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเป็นว่าเป็นอันว่าพระพุทธองค์เน้นหนักเรื่องใจเป็นสำคัญในหลักของพุทธะนะเพราะนั้นพวกเรา สัตยาญาติโยมทุกท่านได้มาทำบุญปีใหม่ในวันนี้ก็ขออำหนวยอวยพรทุกๆท่านจงประสบความสุขความเย็นใจปราถนาชิงใดที่อยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สำเร็จสมความมุ่งมาตนปราถนาทุกประการ